ใ่้เฟังฟังแลุ้ได้ยินยนิ่จได้จำได้แล้วเป็นงานไปัีิไปยิ่จได้แล้วฟังซื่อๆบุกิาฟังซื่อๆ่มีหลังจากการธรรมบัเตาก็เลยแมแนะนำให้พวกเราได้เขา้าใจวิธีปฏิบัติของมา มันเป็นเทคนิคมันเป็นคนใลมันเป็นทําให้เราเกิดปัญญาเรียกว่าจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาว mm hmm. ันนี้เราจิตในั่งเป็นสำาี้เล mm hmm. นั่ง ต, นต้นโตให้ตรงโฟนสติให้ตั้งมัน่น ก็คิดไว่าตั้งมั่นนั่งให้ตรงล้วจะนั่งง่อยไงแล้วก็ทันจังหวะทันจังหวะจะต้องทำไวทันซาซาทำอีกให้จังหวะให้จังหวะนีนั่งแล้วก็ไปเ ด, เดินจงกมเดินจงกรมก็จะไปเดินไวเดินไปอย่าไปเดิน้าเดินไปเดินให้พอดีทนให้ตื่นดีตื่น เทคนิคที่เป็นคไขเป็นศิริยาเป็นอาจจะเป็นเมตุเพราะพระพุทเจ้าเพิ่งสอนไว้แล้วว่าให้มีสกิสมนึกรู้ในอิริยาบถทั้งน่ยืนก็ให้มีสกิสมนึรู้เดินก็ให้มีสกิสมนึรู้นั่งก็ให้มีสกิสมนึรู้นอนก็ให้มีสติสมนึรู้ กนจะคนสอบในเรื่องเร่งนี้แล้วก็ให้มีสติกาหนดรู้ในอุรยาบทย้อยผู้ยียดเกลื่อนไหวโดยยิธีเดินตให้รู้สอบเขาก็ต้องขำวิธีทำนั้นนอนต่งมือเตาระยะอย่างฟ้าที่สุก็ต้องสี่สามสีสามอย่างลุกมาสีที่สามสีส่ธรรมวัต ผู้ตื่นสอนผู้ตื่นเด็กก็ต้องสี่สองสีสามลุกออกมาทำมักถึงลุกออกมาเดินพปมสร้างจังหวัดแล้วก็มาทำวัดมาทำวัดก็มาทำที่ตรงนี้เพื่อกับอบรมอันนี้เป็ น, นวิธีการเป็นจิตนิพนเป็นปนใจทาแล้วใหามันเกิดปัญญาเกิดปัญญาเป็น ยังไดอย่าเกิดตัวหามันรู้สูตรสําเร็จลูกลูกนี้สูตรของมันมนันต้องไปศึกษาเล่าเรียนในพระไตรปิฎกสูตรสําเร็จคําว่าสูตรสําเร็จเนี่ยหมายถึงควมสําเร็จมาจากส่วนอืเหมือนกับเพชรกับทองคําที่เกลือปนด้วยกับตมกับเลนเอามาร้อนมานยอย่างอ่อนแล้วมันเป็นเพชรล้วนที่ว่าเป็นสูตรสําเร็จ ถ้าไปศึกษาไปแล้วเรียนจำเอาอ น, นั้นมันบอมีสุดสำเด็จมันไ่ได้เพื่อจักยานของปัญญามันบ่ได้เพื่อมาจักยานของ น, าานิพพสนาญาณนิพพานาญาณนี้คือหลอดรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็ต่างเก่าล่วงภาวะเ ด, ดิมลงสุดสําเร็จของมันคือรู้รู้รู้หนานี่แหละควาอต้นรู้ นามลูกก็ได้เจอร่างกายนามได้เจอจิตใจลูกกับนามนี้กันอยู่นี้ลูกนามลูกทำนามทำหนึ่งอนที่มาขึ้นมาลูกอันนี้ทำทำการทํางานพูดคิดลูกอันนี้ทำนี่เรียกว่าพระใจจริงหลูกนี้เป็นพระสูตรําพูดนี้เป็นพระวินัยใจเป็นเป็นฐานที่ฐ ทั้งสองอยางนี้แหละได้ใจใจสั่งขนาดเรือพ่อตู้สันสีกาานดกสอง 11, มหมื่นหนึ่งขันัธะคัพระวินียสีดกสอง 11, มหมื่นหนึ่งพันัธะพระพิชามสีดกสี่หมื่นสองันพรวมเป็นแปด0มื่นสี่พันพันธะขเขาเรียนรัดเรือสุดสาเร็จมูรุจากอันนี้ก็ลูกโลกน้มโลกหนึ่งสุดโลกอันนี้มันเป็นอาไรที่ โลกเกิดขึนมากระเจ็ดหัวพวดท้องตายเน่าเข้าลงโลกอันนี้ต้องไปอาศัยหมที่โรอพยาานโลกตะลิดเลงนั่งอยู่ซึ่โรเจไ้ได้ป่วยแต่ ม, มีความฮักความตความอิจฉาริษยาความยินดียินร้ายอันนี้จิอย่างเป็นโลกสูดหึงต้องรูกที่อันนี้เพราะยามที่พัฒนาไแล้ว ม่อรู้จักอันนี้แล้วกัรู้จักทุกขังอันนีจังอนรรัตตาครูบาอาจารย์สอนว่านั่งนานนานเจ็บหลง10 L, 10ังเจ็บแอลเจ็บเท้าเป็นทุกขังเป็นอน น, อ น, รรรรอนีจังนเป็นสตาอันั้นโบเมเป็นทุกขะเวทนาทุกโซกโซกาทุกไข่ลำไ ส, ส้ขของหาบ็นทุกขังอันนี้จังโตทุกขงังโตอันนี้จังโตอันนัตนตาโตเคลื่อนโตไหว โตคิดตาโตหาใจโตนึกโตคิดนเป็นทุกขงังเป็นทุกอย่างเป็นตายทุกขังเปโตรทนไม่ไหวอันนี้จังเปว่าไม่เที่ยงอานัตตาบังคับบงังสาบอดมันเป็นติสตาธรรมชาติเขาต้องรู้จักสูอ้อันนี้เปว่าสู้สำเร็จรูปสําเร็จมาในในตัวมันเองมันแตะมันลอกมันให้ว่ามันร้อนของคําร้อนเพ็รออกมากเป็นเนล็ดร้อน เมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักสมมุติสมมุตดถีสมมุติเทวดาสมมุติบวชแล้วก็ติดติดแล้วก็บวชพระพุทธรูปก็สมมุติขึ้นมาให้วาสุขึ้นที่สมมุตดถีมาเขาใหญ่บ้านทํางานภูเขาสบานสมุดขึ้นมาทางนั้นจึงให้เขาอยากสมมุดถเมื่อสมมุดรู้จักแล้วก็มีตาติดน้อย ตอนหัวจับสมมุตินี่แหละเราจะเลิกละซึ่งที่ลวงได้ของหัวจักสมมุดหัวจักสมมุติมมตดีแล้วกับรู้จักศาสนาศาสนาเป็ว่าทำทั้งสอนของทานผู้รู้ผู้ใดรู้เรื่องอะไรก็นํำเรื่องนั้นมาสอนแต่สอนให้คนละทั่วทำดีอันนั้นบนในพุทธศาสนาเป็นเสียงศาสนา ดูศาสนาทานศาสนาเขาแก่ศาสนาดึกดา บ, บรรพ์แบบนี้พุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธะเตะผู้โลผู้ซื่อผู้เบิกบาน ด, ด้วยธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมจึงเป็นศาสนาอันนี้สูตรสาเร็จบาปก็คืองโง่บูรหจิศทางวิสีปฏิบัติรธรมรมตนเอื้นสนบาป เนี่ยจะให้ทานรักษาสิ่งจินเจยู่กันไาหาบบกบุจากวิธีทำเครื่องทุกออกจากตัวเองบุได้นะครับคือว่ายังมีบาทดีบุญมันบุญคือรู้รู้แล้วใัยว่าเสนระบคก็คือสบายใจอันนี้อคุณว่าบุญหลักพุทธศาสนาเปนรู้จิตนี่เป็นสูตรสำเร็จ เลยบอเสือ้อนุกงานยามดีเลยบอเสื้อสี่บอเสื้อเทวดาพเพราะตัวเองรู้ทำเห็นธทำธรรมะคือยังธรรมะคือตัวเราทุกคนทุกสนธรรมะคือว่าเห็นพระธรรมพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ทั่ว้อวาวแล้วไปหาพระธรรมนอกตัวเขวาบ่เห็น ว่า่าะธรรมนั้นเป็นสีเป็นแสงเป็นลูกแก้วเป็น ด, ดวงเทวดาจันทร์ล่องลอยเข้ามาสู้ตัวของนันอันบนนี้มันเป็นมายาของจิตใจเพราะของบุญผมคิดองนั้เอาคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าจิตใจคนนี้วอกแวกพอกกับได้ไวหลุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับคน ให้จิตโยนหมุนมาในทางข้างนีเพราะปล่อยให้จิตหมุนภาในทางข้างดีข้างจิตจะคือสิเลสเนี่ยคือไม่เห็นจิตบม่เห็นใจเท่านั้นเองทำที่นี้ทำที่นู่นผมรู้สึกเท่านี้เพราะจะมีจักนายหายอเฮามูรู้สึกตัวแล้วก็นิ่ได้หายไปอะทำเข้าครอบงำอะทำกระสุดฮามู ผมละยันสำมบูรณ์ป้อนซ้นปอกหลอกวนอะไรลอกเขาเป็นใจเอาลอกหาเต็มจังหวอะอาดูธีปฏิบัติดูเทปฏิบัติสอนเตาทพื่หลอกพอเคยแม่ตีสองหรือตีสามตื่นเพื่อนแล้วนั่งสร้างจังหวะเดินชมกลมดูละคังป้งขึ้นมาเขาเดินจ น, นจบี่แล้ว คนใดข the ี้เกียจที้คานปฏิบัติบอก้าวหน้ามีแต่เว้าแหละๆอยู่แต่บ่คนใดรักการรักงานรักหน้าที่ปฏิบัติธรรมกล่าวหน้าหวังฟื้นฟูตัวเราหวังฟื้นฟูผูบา่ายจำหวังฟื้นฟูคําสอนของเจ้าจว๋วคนคนนั้นรู้จักเคารพสถานที่คนคนนั้นรู้จักเคารพ คที่จริงแล้วคนคนนั้นนะเขาลดตัวเองเพราะบ่ละเลยบ่ปล่อยปากหน้าที่ตัวเองปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าตอนแรงมากเลยพอสมควรเขาจะอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วเขาก็มาหอมเสื้อห่มผ้าผิดพ้ามานั่งสร้างจังหมะเดินจงังม ได้เวลาแล้วเขาขี่ละครพันมูซึ่อว่าคนนั้นรักการรักงานรักหน้าที่รักตัวเองบม่เป็นหมาหลอกเจ้าหมาลอกเจ้านี่คือว่ามีเสวาวโบสิกบดขับมีเสวะข่มขี้เกียจขี้คันปฏิบัติธรรมบอกก้าวหน้าพุ่งถึงเขาจีว่าเขาก้าวหน้ากับบอกก้าวหน้าเขาให้ตามหน้าที่ของเขาแล้วมู่ถึงว่าจีบอกก้าวหน้ากับก้าวหน้าเพราะ ทำตามหน้าที่อันนี้เป็นว่าเป็นนักปฏิบัติแท้ว่าเป็นคนพูดมากเพเป็นคนคุยมากเป็นคนทำการทำงานมากเป็นเสื้อฟังเข่ารบเสื้อฟังคำแนะนำของผูาา้สอนแล้วก็เสื้อฟังตัวเองคิดตัวเองเห็นเ ป, น ว, เปนว่าการปฏิบัติธรรมมากเี่เขาต้องพยายามทำมันจีจริงจังจัง เพราะว่าคนที่ผมฝุกออกมาเอามาสอนบ้านบูหมแลตายกันไปหลายคนย้ายออกมาอยู่ป่าพุทธยามาฝุก ท, ท, ที่ตรงนี้พวกนี้ก็ดีขึ้นพอดีย้ายออกจากนี้นะไปทงอือดามิตเตวาการสอนจริงบนมีน้อยที่สุด เพราะคนมันตายเป็นพวกเด็กศึกเป็นพวกบ้านบูห่มขาเจ้าบดได้บวดปนีเขาเจ้ากระว้าธรรมะอยู่บนสันเือคนที่รู้นะคนที่รู้น้อ ย, อยกับบุญเดก็เชิดไปจากไปมัดบันนี้นนต้อเ อ, อกมายู่ป้าพุทธญาณนี่ยคนอยู่ป้าพุทธญาณนี่หมู่ไอเอ็นหมูม่ ม, มหาบุตรหมูม่เพื่อนยงังเสี่ยงหมูม่เพืนควาพันหมูม่นี้แหละยังมั่นคงอยู่ ทุกออกไปแล้วก็อย่งมั่นคงอูแต่ตอนน้อยบัด น, นี้ออกจากนี้ไปแล้วไปสอทุกออกไปแล้วบัด <c oughs> มันบวเข้าไปในสัวใจได้มันบวสุดเพราะว่าบวได้สอนกันมามีเจ้าวิสให้คังจําไปอันนั้นได้ปริมาณมาคุณภาพน้อยบัดนี้เขาจะฝึดเอาคุณภาพบวชไม่ฝึออกเอาปริมาณ คนใดที้คันบอาจะซืนอยากให้หนีคนใดบอกเคาลบเสื้อฝังแลต่ผมอยากให้หนีเพราะมันกีสถานที่มันเปืองสถานที่เปืองฟืนเปืองไฟเปืองที่ยู่ที่อาศัยมันมันเปืองอะไรเเฮาเอาคนดีคลายๆลายคือแบบที่นูเม็ดเดียวเดงหมันกินเพชรมักเพชรเนอใหญ่ใหญ่เนียหลายหลายแต่มันบดดี เน่ ง, นงกสุกันพระสุกันม่ออกในตนสุกันต้องปฏิบัติให้มันรูปแทๆ้ๆอันนี้เป็นสูตรสำเร็จเรื่องต้นที่หลวงพ่อไว้ตอนน้องเป็น ส, นสู้เป็นสู้ไปวันี้สูรสาเร็จอย่างนั้นอย่างนี้บอกสูตรสำเร็จนี่หลวงพ่อว่าคือมันสำเร็จรูปมันออกมาเป็นเทตุมันอยู่ในตนที่เป็นต้นเขาบอกเอน บัดนี้เอามาลอนมาใช้ออกมาไล้มันเกิดเป็นเพชรทองคํามันก็จมอยู่ในโมบัดเนี้มัน้อนออกมาก็เป็นทองคำร้อยเปอร์เนอันนี้เป็นสูตรตันดุของมันต้องเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่หลวงพราวานังยกสู้สู้เมื่อรู้จากหลังซียแล้วก็เห็นพระธรรมนิพพานยกมือไหว้ตัวเองได้เรามันมีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่านี้ แท่ก้อนนั่นมันเป็นตมเป็นเลนมันบดเห็นเทศมันบดเห็นสองคขามเมื่อมาทําอย่างนี้นะมันเห็นเทศมีหนึงสองขามขึ้นมายู่ภายในทิตใจผุกคนที่เราเป็นพระได้ที่สลวงพอ่อสูตรสูตรมีสูตรตนสูตรที่สองเข้ามาหลวงพ่อรู้สอนเตาสูตรตนสูตรที่สองนี่หลวงพ่อมาเป็นสูตรสองแลง เดินไปกับไปกลับมาอาบน้ำคือสุนานนะอาบน้ำมาทำมาเดินไปเดินมาควมคิดมันแรงตัวรู้เหมืนนอนบัดนี้เรามาเดินไปเดินมามันคิดเอาเข้าไปในใจความคิดมันดึงไปคือตัวหนูดึงแมวแมวตัวน้อยหนูตัวใหญ่หนูมันมีแรงเนี่ยแมวมันโดดจับหนูมันบกอแมวมันบกขยันหนู จับหนูมันตื้นตื้นแล้วแมวมันติดหนูไปเมื่อยได้มันขวาน่ายวางนูขึ้นมาแล้วบัด น, นี้เขามาทำท่าทีสมมติว่าให้อาหารแมวแมวมันกินอาหารมากขึ้นมากขึ้นหนูโตใหญ่มาขนาดใหม่ในกระบอยักหนูออกมาปุ๊บแมวมันโดนจับปั๊บหนูสอกตายเลยมัน ให้มันเป็นน้งสั้นจับติดเถือ่อพอดีคิดพุกเสร็นปับ๊บคิดพุกเสร็นปับ๊บคิดพุกเสร็จปั๊บมันตึงมันทุบจุดเขาพยายามคุ้มเทียวคุมเตียนลงที่ตรงนี้เท่งตึงเดี๋ยวเท่งเท่งตรง้เท่งเนื้อเพ่ ง, งเนื้อเนี่ยเบิ่งจ่อพันท่ามันเกิื่ออย่างเันหัเถื่อแปลว่าเขายังพอดสตด ถ้าหักเขาพอดีเบิ้ลเข้าไปปุ๊บมันเป็นพูดมันบอกขึ้นมาว่าเป็นวัตถุวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างคือโตเข่าก็ได้คือต้นไม้โูเขาห้วยหนองลองบึ้ลสิ่งที่มันมีในโลกไงวะเรื่อวัตถุจับถูกด้วยมือมองด้วยตาปารามาสแปลว่าของจริงจริง จริงโดยสดมมติจริงโดยปรมาติรย่รวามีสมมติบัญญัติอัตถะบัญญัติอยบัญญัติบัด น, น, น, น, นี้อัตถะบัญญัติอัตถะว่าลึกงากบุคคลที่จะห็ิตเห็ใจตัวเองอเิยบัญญัติต้องเป็นพระเดียว ค, คันเป็นว่าแต่ว่าตำราโบได้บอกถึงขนาดนี้อันนี้เนะี่ยเป็นสุสรสมุทเทกุตในปฏิวัติ ผมกล้ายืงยันรับรองคํำโคตรสูตรนี้นี่เป็นสูตรทีเขาเมื่อรู้เห็นวัตถุเห็นปรมัติวัตถุมายถึงของที่นี้ร่างกายแลาตอนนี้จิตใจเรานึกเราก็ดอะไรปรมัภิไปว่าเอาเห็นยู่มียู่เป็ี่ยนยู่กาลังสัมผัสยู่อาการสัมผัสเปลนแปลพอดีเห็นสูตรนี้ตัเกันขึ้นมาเราก็รีบโกหก Ja โมหะเโทสะลายแโมหะขวมมวยโลภะอยู่ใต้โมหะมัโพสะโลภะโมหะวมคนจริงมักหลงทำติดพูดติดๆิเมื่อเห็นสูตรที่จบมังแค่นี้กก็เห็นรู้เข้าใจสูตรเลพนา มีอยู่ไม่ถุกสัญญาขันมีอยู่ไม่ถุกสังขารขันมีอยู่ไม่ถุกดินญาณขันมีอยู่ไม่ถูกนี่เรียกว่าขันสี่บ่เรียกขห้าอันนี้แปลว่ารูปสี่ขันสี่รูปนี้เนี่ยเป็นเทวดารูปนี้เี่ยเป็นสี่ส่วนรูปขันเททนาขันตัญญาขันสังขารขันดินญาณขันเป็นขันห้า อันคันฆ้านั้นรูปนี่มันเป็นเพียงวัตถุเทว่าวัตถุอุดมมาได้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นผีเห็นเทวดาเลยผีคือคนเร้อนยาตอดยาพูดยากนั่งเอาเพื่นผีเอาเคยว่ากันถ้าหากคตยาบักผีมันในเพืนมันร้อนเนี่ยคันถ้าเป็นผู้หญิงอีผีมันในเพื่อนร้อนาคือผี แต่ตัวคนโบ้เส้นทีได้ใจเขได้เป็นทีจึงเห็นจิตใจตัวเองเป็นรี่ดบบันนี้เป็นคนใดว่าง่ายสอนง่ายผ<ว>ู้นี้คือเทวดาผู้นี้คือพระธร่มนี่คือให้เห็นพระธรรมจริงๆปีนีครัวเขเอาเวามจริงๆพระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระคิดพระ คือผู้ใจดีอันนี้หลักชนะนี้หลักษณะใจดีหลักชณะที่สู้กันไปถึงุ้หลักชนกะนั้นนี้ว่าสู้ดีใจรู้แล้วดีใจใจอย่างเดใจอย่างดีย เ, เมื่อผมเห็นเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์จิตหยาดไม่ทุกข์ผมเดินไปเดินนี่แหละ เนี่ยะเดอโอ้โหนี่เป็นผักได้แล้วเด้เนี่ยเป็นอย่าง น, านื่ว่าสูดสัมฤทธิ์ผมกัญยาอยู่น้ำหนักตัวของผมผมตีราคาไว้ร้อยกิโลเบาว่งออกไปโล่แปดสิบกิโลแต่ผมตัดไว้หกสิบกิโลโอ้โหเป็นผัก้แล้วรู oh. Oh. <ๆ>้จักมักที่ตรงนี้เลย นี่แหละมักแปว่าเดินไปหาพระพุทธเจ้าตำราขจ้าเอื้นเป็นปฐมาศานผู้ปิญญาฌาลาศาสติยญาฌานจะกุทศาลปัญจามาศาขาจาวาแต่อันนี้บ่ได้ว่าจ้ะพวกก็กเลยเดินกลับไปครับบ่ทันนานครับเพราะเทดถูกจังหวะได้ครับลักการลักงาน รักหน้าที่รักเวลารักตนเองเขาลบตนเองยกมือไหว้ตัวเองได้ตั้งแต่มือนั้นมาจนถึงัจนี้นยกมือไหว้ตัวเอง